สุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่ทุกท่านจะต้องลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ทุกท่านจงสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่า โดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้ไม่เที่ยงมุนไปสู่อำนาจของความแก่ความเจ็บและความตายขอท่านทั้งหลายจงเอาหลักธรรมของพระบรมศาสดาเป็นแนวทางของชีวิตเถิดชีวิตก็จกจำเรินสังคมก็จะร่มเย็น สาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจากสุขอยู่นั้นเป็นเสมือนทารกผู้หลงอยู่ในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่ แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเวสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใช่แน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิด โดยเฉพาะความรักและความสเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอผุจะล่มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดทายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์แม้ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทาที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสีย เพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็จกไม่ทิ้งทำมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีการพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้าง เพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งชาวพุทธด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ายิ่งกว่าการเป็นอยู่อย่างไร้อุดมคตินักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าอันไม้จันแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น หัสดินแม้จะก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้จะเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานอันบัณฑิตทั้งหลายแม้จะประสบทุกข์เจียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมขอท่านทั้งหลายจงยินดีในธรรมจงมีธรรมเป็นที่พึ่งชีวิตจึงจะพ้นจากอำนาจของพญามัจจุราชหรือความทุกข์ ที่จะมาครอบงำย่ำยีอย่างแท้จริงท่านสาธุชนทั้งหลายโลกนี้เสมือนคุกที่กว้างใหญ่คนที่อยู่ในโลกทั้งมวลเสมือนถูกขังอยู่ในคุกด้วยกันทั้งสิน้นแต่มันเป็นคุกที่กว้างใหญ่ มีวิธีประหารที่แตกต่างกันเท่านั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้จึงเป็นเสมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วรอแต่การลงอาญาของพยามัจจุราชเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมชีวิตนี้ตั้งอยู่บนกองทุกข์ความทุกข์ทรมานบางทีก็ทาให้คนรู้จักธรรม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 ทุชนทั้งหลายห้องขังที่ควบคุมกายมิให้เป็นอิสระนั้นไม่ร้ายเท่าห้องขังคือกิเลสซึ่งกักขังดวงใจของคนไว้ในกองทุกข์ตลอดชั่วการนานขอท่านทั้งหลายจงแหกห้องขังทำลายคุกที่หนานแน่นเหล่านี้เถิดเพื่อออกไปสู่อิสระภาพที่ปลอดภัยพระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าความใคร่ทาให้คนมืดบอดอันหนึ่ง โรคมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกรำลาบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็จะต้องหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันร่มเริ่ม น, นั้นไปชีวิตนี้ก็ดีความรักก็ดีเป็นความร้ายโดยเฉพาะความรัก เป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกทุกคนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักให้ความสามสมหวังแก่ใครไปด้วยชีวิตอันประหาดพิสดาลต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกำลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุข ก็จะต้องหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันร่มเริ่ม น, นั้นไปชีวิตนี้ก็ดีความรักก็ดีเป็นความร้ายโดยเฉพาะความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักของความต้องการยิ่งเป็นความรักที่ฉาบทารูปไร้ด้วยความสเสน่หาแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทาให้ทุรนทุราย ดิ้นรนไม่รู้จักจบสิน้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเป็นเสมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของสแสลงพระศ า, าสดาก็ม้วนตัวเข้าหาฝั่งแล้วแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่ยืนมองดูอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวขึ้นในมหาสมุทรฉันนั้น ศาสดาได้ตรัสไว้ว่าร่างกายนี้อาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าผุพังซึ่งคนส่วนมากชอบคิดถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเขาร่างกายนี้เป็นนครแห่งกระดูกที่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่อาศัยของเพลิงทุกคือความแก่และความตายเป็นที่ตั้งแห่งกองกิเลส คือการถือตัวถือตนและการดูหมิ่นผู้อื่นเป็นรังแห่งโรคนานาชนิดมีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงให้เราทั้งหลายได้สแสวงหาธรรมเป็นที่เกาะแสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้สแสวงหาโลกียารมณ์เลยมันเป็นเสมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลเพียงนิดหน่อยแล้วก็แทรกยาพิษไว้มากมายความใคร่นั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดเพราะอาศัยร่างกายอันน่าเบื่อหน่ายนี้ความรักเป็นหลุมพรางอันสำคัญที่ดักไว้สำหรับการตกการจมแห่งสัตว์ทั้งหลายความรักมีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเป็นเครื่องมือเมื่อดักผู้ใดได้แล้วย่อมย่ํายีห้ำหันเบียดเบียนเสียดแทงให้เจ็บช้ำระกำไปจนตายในที่สุด อันธรรมดาบุคคลนั้นเมื่อแสดงบทรักย่อมไม่ต้องการบุคคลที่สแต่เมื่อต้องแสดงบทโศเพราะความรักเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงต้องการบุคคลที่สามสความรักเป็นหลุมพรางอันสําคัญที่ดักไว้สําหรับการตกการจมแห่งสัตว์ทั้งหลายความรักมีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเป็นเครื่องมือ เมื่อดักผู้ใดได้แล้วย่อมย่อมดีห้าหันเบียดเบียนเสียแทงให้เจ็บช้ำระกำไปจนตายในที่สุดอันธรรมดาบุคคลนั้นเมื่อเหตุสันธรรมตรงกลารกมไปเจ็บสิ่งต้องคุยความเป็นคนคนหนงะเมื่อรักยีห้ำหันเบียดบียนห้ำหัน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 ย่อมไม่ต้องการบุคคลที่สแต่เมื่อต้องแสดงบทโศกเพราะความรักเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงต้องการบุคคลที่สามสีงก็สามรบแห่งสรงดับแต่จะดับสามรบมาจะดับตันดึงนั้นพรมลายให้จากอันติดติร้อกล่ขึ้นทั้งสิที่ไปรักโศกจะดับรุนแรงไป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 สัมผัสเป็นเครื่องมือเมื่อดักผู้ใดได้แล้วย่อมย่ำยีหั่มหันเบียดเบีย น, เ, ยนเสียดแทงให้เอาเปรียบกั น, ร, นรังเกียจกันด้วยชาติโคตรตระกูลและยศศักดิ์ต่างๆซึ่งเป็นความจริงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกทีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในดวงใจ แผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถือภาสิต์ที่ว่ามือที่ให้ใจที่บริสุทธิ์วาจาที่ไพเราะจิตที่เปลี่ยมล้นไปด้วยจิตเมตตาชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซื่อสัตว์ต่อกันสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องผูกพันสังคมมนุษย์ให้พบสันติสุขได้อย่างแท้จริง ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ที่จะบรรลุผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่นั้นต้องมีความพยายามพยายามทําสิ่งที่บุคคลอื่นทําได้ยากสละสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยากอดทนต่อสิ่งที่บุคคลอื่นทนได้ยากเอาชนะต่อสิ่งที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยากจึงจะสามารถบรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราพึงได้พึงถึงโดยเฉพาะพระธรรม อันแดนกระเสมจากความทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่เราทั้งหลายควรใช้โยนิโสมนัสิกานั้นก็คือว่าสังสารวัตรคือการเวียนว่ายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวจนหาเบื้องต้นและในที่สุดไม่พบอวิชชาความไม่รู้จริงตัณหาความทยานอยากอุปาทานความยึดถือในความมีตัวตน สำคัญว่าเป็นสิ่งถาวรกรรมคือการกระทำที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นชนวนทําให้สัตว์แล่นไปสู่ความเกิดแล้วเกิดอีกในกองกิเลสและกองทุกทั้งปวง การททั้งหลายจะต้องมีความเพียรความพยายามในการที่จะควบคุมจิตใจไม่ปล่อยใจให้ละเลิงหลงไปตามกระแสของตัณหามีสติสัมปชัญญะในการรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในการที่จะถอยกลับมาข้างหลังยังความพอใจให้เกิดขึ้นในการกระทำความเพียรประคองตั้งจิตไว้ในส่วนที่เป็นกุศล ไม่ให้กิจตกไปสู่อำนาจของความหลงและความมัวเมาความเฉื่อยชาและความเกียดคร้านมีความพยายามอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบกับพระธรรมอันเป็นที่ดับสนิทแห่งกองทุกได้อย่างแท้จริง ศา ส, สดาทรงสอนให้เราทั้งหลายพึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่บุคคลนิ่งนอนใจเสมอเมื่อเราหวาดระแวงในเรื่องใดในสิ่งใดคนเราก็ย่อมระมัดระวังในสิ่งนั้นและหาทางป้องกันในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่มีอยู่มากลาย ในสิ่งที่บุคคลจำนวนมากแน่ใจว่ามันจะไม่เป็นก็มักจะเป็นให้ดูเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงมักจะไม่โทษใครแต่ทรงชี้โทษไปว่านั่นเป็นโทษของวัตตสงสารด้วยเหตุนี้แหละหลักธรรมที่ดีที่สุดที่ควรยึดถือเป็นหลักแห่งชีวิตก็คือความไม่ประมาท ชีวิตคือการเดินทางเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็อย่าพึงประมาทหรืออย่าพึงวางใจว่าอันตรายจะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อชีวิตเข้าถึงฝั่งแล้วคือชีวิตของพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายได้จอดเทียบท่าพระนิพพานแล้วเชื่อแน่ว่าปลอดภัยเราทั้งหลายจึงค่อยวางใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลายจงยังความเพียรพยายาม ด้วยความระมัดระวังสำรวมให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้บรรลุพระธรรมอันกระเสมในการที่จะเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงแห่งชีวิตได้อย่างแท้จริงเมื่อยามโชคร้ายย่างกลายเข้ามาในชีวิตอะไรๆก็ดูเหมือนจะขัดข้องไปหมด คนที่เคยรักก็คลายรักคนที่เคยพักดีก็หนีห่างมนุษย์ส่วนมากมุ่งมองที่จะกระทำแต่ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและเล็งผลเลิศในอนาคตการที่ได้ไร้าเสียซึ่งประโยชน์แก่ตนดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสักปานใดก็จะมีใครเล่าที่จะยินดีสมัครใจอย่างจริงใจอย่างมีผลตอบแทนน้อยที่สุด หรืออย่างไม่ต้องการผลตอบแทนเลยไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้มนุษย์ขัดใจกันจองเวรฆ่าฟันกันยิ่งไปกว่าเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกัน ชีวิตนี้มีความยุ่งยากสับสนวิตกกังวลเป็นเรื่องยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้โดยตลอดเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรการรบราข้าวฟันและการแข่งกันเป็นใหญ่เป็นโตบนกองเลือดกองกระดูกนั้นมีสาระประโยชน์อะไรแก่ชีวิตบ้างความสุขใจชั่วแร่นความเพลิดเพลินที่ได้รับมาโดยทิ้งความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้อื่นนั้น เป็นการให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตทั่วไปเพียงพอแล้วหรือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บและร่วมตายในที่สุดทุกคนเป็นเสมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วรอแต่การรงอาญาของพยามั จ, จุราชเท่านั้นเราควรที่จะยังความเมตตากรุณาให้บังเกิดขึ้นในสัต์สัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไป ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเรารักความสุ ข, สขเกรียดความทุกข์ฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นผู้รักตนควรระือที่จะเบียดเบียนผู้อื่นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นความกล้าหาญหรือความขลาดกลัวกันแน่ผู้กล้าหาญควรสละชีพตนเพื่อรักษาชีพของผู้อื่นแต่ถ้า การร้างผานชีวิตของผู้อื่นเพื่อสงวนชีพของตนเป็นการถูกต้องแล้วโลกของเหล่านี้ก็คงเป็น้านมิกาสันญีที่ชุ่มโชคไปด้วยเลือดและน้ำตาอย่างแท้จริง ผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยและชีวิตในความไม่มีโรคควรประพฤติพรหมจรรย์รีบประพฤติรมเสียโดยไม่ต้องรอคอยจนถึงวัยชราแล้วจึงค่อยตั้งหน้าทำความดีประพฤติพรหมจรรย์เพราะเมื่อถึงเวลานั้นเข้ามามือเท้าอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้ขวนขวายเพื่อที่จะทาความดีแต่พอเริ่มทาความดีไปได้ไม่เท่าไหร่ ความตายก็จะมาถึงเสียแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายทัศนะเกี่ยวกับโรคคือหมู่ชนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าคนทุกคนถูกชราดึงเข้าไปหาความตายอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ยั่งยืนโลก ค, คือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้ป้องกันโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบือ่อ เป็นาธาตุแห่งตันหาแม้จะมีมากด้วยทรัพ์สมบัติแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมหาอำนาจทั้งสามคือความแก่ความเจ็บและความตายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีอำนาจย่ำยีบีบคั้นมนุษย์ทั้งโลกให้ยินยอมไม่มีทางหลีกเลี่ยงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตแห่งตันหา แม้จะเป็นจอมราชันผู้สูงศักดิ์เพียบพร้อมไปด้วยอิสราราชบดีมีข้าทาสบริวารมากมายในปัตภีมหาสาลนี้อะไรที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วจะไม่ได้เป็นไม่มีแต่สิ่งซึ่งมีอำนาจเหนือพระองค์อยู่ก็คือความดิ้นรนพระองค์เป็นผู้มีอำนาจแต่ความดิ้นรนมีอำนาจเหนือพระองค์และทุกคน ก็ตกเป็นาธาตุแห่งตันหาอย่างเดียวกันถ้าเราไม่รีบดับตันหากันเสียบ้างมันก็จะฉุดกระชากลากให้เราถูรูถูกกังไปตามอำนาจของมันมนุษย์ส่วนใหญ่ยอมให้ตันหามีอำนาจเหนือตนยอมเป็นาธาตุกิเลสอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่มีข้อทักท้วง สาธุชนทั้งหลายความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับจากตัณหาก็เป็นเพียงรางวัลอันเล็กน้อยที่นายผู้เหี้ยมโหดทารุณเป็นผู้หยิบยื่นให้เพื่อเป็นเหยื่อร่อราไว้ใช้อีกต่อไปนายคือกิเลสจึงเป็นนายที่ทารุณกว่าผู้ทารุณใดๆเพราะมันทำให้เราระหกระเหินบอบชำ้ำและทุกข์ทรมานอยู่วันแล้ววันเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีทางหยุดหย่อนผ่อนพักขอท่านทั้งหลายจงทำความเพียรให้ถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ควรบรรลุเพื่อทำให้แจ้งจนสามารถเอาชนะปัญหาอุปาทานอันเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ในปัจจุบันโดยทั่วกันเถิดสําหรับวันนี้เวลาของรายการปลุก ให้ลุกขึ้นทำความเพียรก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ใคร่ทำโดยทั่วกันจเจริญธรรม Wa sa tu sa.